สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายกวกรคนชอบเล่าเราฟังเรื่องของเสือกันมาก็นับว่าหลายตัวแล้วนะครับแต่เสือตัวนี้ตัวที่ผมกําลังจะพูดถึงเป็นเสือที่ถูกบันทึกไว้ในเรื่องราวของเสือกินคนที่เบตงคุณอาร์ตเมาฮามาชิกที่หน้าตาดีมีน้ําใจได้กรุณาส่งมาให้เรื่องราวของเสือตัวนี้จะเป็นยังไงขอเชิญรับฟังครับในวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2555ันยนายยะยาเซง อายุ44ปีรัศดรหมู่ที่8บ้านไอเยควินตำบลไอเยเวงอำเภอเบตงจังหวัดเจลาได้ออกจากบ้านตั้งแต่เวลาประมาณ5นาฬิกาเพื่อไปกรีดยางในสวนยางในหมู่ที่2ตำบลกะลาโพตำบลไอเยเวงที่อยู่ห่างจากบ้านประมาณ5กิโลเมตรเรื่องก็คือวันนั้นเขาไม่ได้กลับบ้านตามเวลาปกติทำให้ภรรยานั้นเป็นห่วงมากเมื่อตกเย็นเธอจึงได้ออกติดตามหาด้วยใจที่ร้อนรุ่มและเป็นห่วง แต่เมื่อเธอได้รู้ถึงสาเหตุที่สามีของเธอไม่ได้กลับบ้านเธอก็ถึงกับช็อกเพราะสามีของเธอที่ได้เจอนั้นได้กลายเป็นศพที่ไร้สีสัอวัยวะเพศรวมถึงอวัยวะช่วงท้องได้หายไปอีกทั้งยังมีร่องรอยถูกตะปบจากคมเล็บของสัตว์กินเนื้อประเภทเสือวันต่อมาเวลา10นาฬกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพ อ, อายุเวเงชุดกองร้อยทหารพรานที่3302และเจ้าพนักงานพิทักษ์ ป, ป่าอุทยานแห่งชาติบางลางจานวน20นาย พร้อมอาวุธครบมือนำโดยพันตํารวจโทมุสตาฟามานิสารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูทรอายุเวงอําเภอเบตงได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุซึ่งเป็นสวนยางพาราบนั่เขาสูงชันจากการตรวจสอบพบคราบเลือดที่พื้นอันจะเกิดจากการต่อสู้กางเกงวอร์มของผู้เสียชีวิตรองเท้าบูทมีตัดยางปลอกมีดและกล่องยากันยุงพบกระดูกหัวเขาห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ10เมตร แล้วก็พบกะโหลกศีรษะอยู่ในโพรงกอไผ่สภาพถูกแทะจนเหลือแต่กระดูส่วนฟันและกรามได้หายไปนายนาแซโตเฮงเจ้าพนักงานพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติบางลางังกล่าวว่าจากการดูบริเวณที่เกิดเหตุรอยเท้าน่าจะเป็นเสือครุง่งขนาดใหญ่2ตัวทั้งนี้พระรอยแรกมีอุ้งเท้ากว้างประมาณ18ซนเมตรยาวประมาณ15ซนติเมตรลตัวมีความยาวประมาณ2เมตรน้าหนักประมาณ180กิโลกรัม ส่วนอีกตัวหนึง่งมีอุ้งเท้ากว้างประมาณ13เซนติเมตรยาวประมาณ10ซนติเมตรลำตัวมีความยาวประมาณ 1.5 เมตรน้ําหนักประมาณ140กิโลกรัมคาดว่าเสือออกมาทําร้ายชาวบ้านน่าจะเป็นเพราะพื้นที่ป่าได้ถูกบุกรุกทําลายจนไม่มีอาหารจึงได้ออกมาหากินตามแถวหมู่บ้านเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้ชาวบ้านหวาดผวากันมากด้วยกลัวเสือจะกลับมาทําร้ายชาวบ้านอีกจึงทําให้ไม่กล้าออกไปกรีดยางกัน และบางส่วนก็ได้ถยอยเดินทางกลับบ้านเกิดที่ปัตตานีเพราะว่าไม่มีความมั่นใจในความปลอดภัยจุบจนวันเวลาล่วง ม, มาถึงวันที่สธันวาคมพุทธศักราช2555เวลา22นาฬิกานางปราณีมหาสุขอายุ44ปีบ้านเลขที่8ทับ1ตำบลแม่วาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาก็ได้ถูกเสือตะปบและกัดกินขณะไปกรีดยางกับสามีที่บริเวณใกล้เขาทุนสัญญาณบ้านโกอมอที่38หมู่ที่6ตำบลอายูเวง และเชาวันที่4ธันวาพันตำรวจโทมุสตาฟามานิสรวรจัส ย, ยสถานีตำรวจภูธ ร, รอายุเวงตำบลเบตงได้นำศพนางปราณีมหาสุมาส่งที่โรงพยาบาลเบตงพิจนณสุนายบุญธรรมมหาสุสามีผู้เสียชีวิตเล่าว่าในคืนวันที่สเวลา22่สนาฬิกาได้ออกมากรีดยางกับภรรยาตามปกติซึ่งตนจะแบ่งกันกรีดยางกับภรรยาห่างกันคนละห้าร่องยางระหว่างนั้นขณะที่ตัวเองกรีดยางเสร็จก็ได้ตะโกนเรียกภรรยาแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับ จึงได้เดินไปดูภรรยาก็ปรากฏว่าเห็นเสือโคร่งขนาดใหญ่ขนาด200กิโลกรัมได้กําลังจะครุบภรรยาของตนเองอยู่ไม่เห็นดังนั้นตนจึงรีบปีนขึ้นต้นยางเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ใช้ไฟตะเกียงส่องพร้อมนำปืนลูกซองยิงออกไป5นัดจนเสือตัวนั้นหลบหนีเข้าป่าไปจากนั้นจึงรีบลงมาดูภรรยาปรากฏว่าภรรยาของเขาได้เสียชีวิตลงแล้ววันที่4ธันวาหน้าที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านกม38นายสุวริศเพชการ ในอำเภอเบตงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานในที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านกม38เพื่อประสานงานกันด้านการข่าวและช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีของเสือโคร่งขนาดใหญ่ที่ทำร้ายชาวบ้านจนเสียชีวิตพร้อมจัดทุดเฉพาะกิจในการติดตามผลักดันเสือโคร่งกลับสู่พื้นป่ากำหนดเวลาคือ1เดือนเริ่มเดินติดตามตั้งแต่เวลา7จ็นาิกาถึง16บหนาิกาจ น, น, นทุกวันเพื่อป้องกันเสือที่ออกหาอาหารในพื้นที่ใกล้เคียงชุมชน โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาจังหวัดนาราธิวาสให้ร่วมติดตามและหามาตรการและวิธีป้องกันภัยจากสือตัวดังกล่าวโดยตํารวจทูสุรินทอุปมัยรัตน์หัวหน้าชุดเฉพาะกิจในการติดตามผลการเสือโคร่งกลับคืนสุพื้นป่าได้นำเจ้าหน้าที่ตํารวจตรเวียนชายแดนที่445ทหารพรานที่3302ตํารวจภูธรสพอายุเวเงจะพนักงานพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติบางลางเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาจังหวัดนาราธิวาส อ, อสอและชรบกว่าสองร้อยนายเดินติดตามกระจายกำลังกันปิดล้อมบริเวณที่เกิดเหตุและได้ติดตามรอยเท้าเสือที่เจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นเสือตัวที่เข้ามาทำร้ายนางปราณีให้ได้รับบาดเจ็บจนถึงแก่ชีวิตร่องรอยจากการที่นายบุญธรรมสามีของนางปราณียิงขณะที่เสือตัวนั้นเข้าทำร้ายภรรยาของเขาเจ้าหน้าที่พบร่องรอยคราบเลือดบนพื้นหญ้าและเศษใบไม้พร้อมรอยเท้าเสือขนาดความกว้าง17ซนเมตรยาวประมาณ15เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ160กิกโกรัม จึงได้ทําการเก็บข้อมูลและนําไปตรวจสอบว่าเป็นรอยเท้าเสือตัวเดียวกันกับรอยเท้าเสือตัวที่ทําร้ายในยะยาเซงจนเสียชีวิตเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2555หรือไม่อย่างไรโดยระยะทางจากจุดที่นายยะยาเสียชีวิตห่างจากจุดที่นางปราณีเสียชีวิต10กิโลเมตรด้วยกันร้อยตํารวจโทสุรินกล่าวอีกว่าสาเหตุที่เสือออกมาทําร้ายคนจนเสียชีวิตนั้นในครั้งนี้อาจจะมาจาก3าสาเหตุนั่นก็คือ1 เสือตัวนั้นอาจได้รับบาดเจ็บเกิดอาการหิวโหวยไม่สามารถหากินเองได้สองมันอาจจะปกป้องชีวิตปกป้องฝูงของตัวเองที่ถูกทำร้ายและสามการขยายอันดเขตพื้นที่หากินของสัตว์ซึ่งขณะนี้จะได้ที่เชื่อกันว่าเสือที่ออกมาทำร้ายชาวบ้านจนเสียชีวิตนั้นน่าจะมีสาเหตุมาจากชาวบ้านได้เข้าไปบุกรุกป่าบุกรุกอันดเขตพื้นที่หากินของสัตว์ป่าฉะนั้นในช่วงนี้ขอให้ชาวบ้านรวมตัวอยู่กันเป็นกลุ่มเข้าไว้ไม่ควรอยู่กันเดียวตามลําพัง และหากเกิดการประจันหน้าขึ้นมาคนจะรีบปีนขึ้นต้นไม้ให้เกิน3เมตรขึ้นไปแล้วก็รอจนประเสือตัวนั้นจะเดินจากไปและมาถึงวันที่7ธันวาคมก็มีเหตุเสือโคร่งและแตะบบชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่8บ้านปาโจแมร้อตาบลแม่วาดอธารโตจังังหวดยะลาอีกครั้งโดยหลังจากที่นายอิสมาออรยูโซอายุ50ปีอยู่บ้านเลขที่99ทั1หมู่3ตําบลสาบังอําเภอยริงจัังหวดปัตตานีได้ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปพบเพื่อนในหมู่บ้าน ขากลับก็ได้ขับรถจักรยานยนต์มาตามถนนในหมู่บ้านซึ่งข้างทางเป็นป่ารกทึบและเมื่อขับมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุนั้นจู่ๆก็มีเสือโคร่งขนาดใหญ่น้ำหนักกว่า200กิโลกรัมกระโจนเข้าใส่จากด้านหลังทําให้โกลมเล็บของเสือตะปบถูกแก้มก้นด้านขวาเป็นแผลลึกและนายอิสมาอแอร์ตั้งสติได้จึงได้รีบปีนขึ้นต้นไม้และก็ร้องเรียกชาวบ้านเสียงดังจนชาวบ้านใกล้ที่เกิดเหตุได้ยินเสียงร้องของความชื่อเหลือชาวบ้านกว่ายีคนจึงได้รีบมาที่เกิดเหตุ ส่วนเจ้สือตันั้นเมื่อพลาดจากเหยื่อจึงได้เดินหายเข้าป่าข้างทางไปภายหลังจากที่ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่แล้วในสมัยแอร์จึงได้ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลทานโตในปรเมศจันแสงประลัดอำเภอฝ่ายมั่นคงนํากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายปกครองทหารพรานและชาวบ้านกว่า100ร้อยคนเร่งออกติดตามไล่ล่าเสือโคร่งทันทีและก็ได้แกะรอยจนพบเสือซุ่มอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ500เมตรหลังจากที่ได้วางแผนกันแล้ว เจ้าหน้าทจึงได้ใช้ปืนยิงยาสลบและอาวุธปืนนานาชนิดยิงใส่เข้าไปแต่ก็เกิดเรื่องแปลกกระสุนจากอาวุธชนิดต่างๆนั้นไม่สามารถจะหยุดเสือโคร่งตัวนั้นไว้ได้เพราะว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระลมยิงไล่ล่าอย่างกระชั้นชิดแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะจับเป็นหรือจับตายได้และเสือโคร่งตัวดังกล่าวก็ได้วิ่งหนีเข้าป่าลึกไปและจากเหตุการณ์นั้นข่าวลือก็หนาหูขึ้นถึงความร้ายกาจของเสือตัวนั้นความเก่งกาจของเสือตัวนี้แพร่สะพัดฝังจิตไปทุกคัวเรือนในละแวกนี้ จากเสียงลือบ้างก็ว่าน่าจะเป็นเสือสมิงป่าฮาราอย่างที่ก็ร่ํำลือกันหรือไม่การกัดกินเฉพาะเนื้อมนุษย์โดยไม่สนใจสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านการหายตัวได้การแปลงกายเป็นมนุษย์รวมไปถึงการยิงไม่เข้าได้ถูกนํามาเป็นประเด็นเด็ดแทรกข่าวการเมืองในร้านน้าําชอให้ได้พูดคุยกันอย่างสนุกปากชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่8บ้านไอเยควีนตะบนไอเยเวงและในพื้นที่หมู่ที่4บ้านทานบาลิหมู่ที่ห บ้านกอมอ38ตสิบแปอายุเวงหมู่ที่11บ้าน300ไร่และชาวบ้านในพื้นที่เขตรอยต่ออำเภอทานโตขณะ น, นี้ไม่กล้าที่จะเข้าไปกรีดยางพาราแม้ช่วงนี้จะเป็นฤดูผลไม้ทั้งลองกองเงาะทุเรียนออกผลแต่ชาวบ้านก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวเพราะหวาดกลัวเจ้าป่าแห่งฮาราเพชรฆาตหน้าขนนี่เองล่วงเลยมาถึงวันที่10บธันวาก็เกิดเหตุการณ์เจ้าเสือร้ายเข้าไปกัดคนกรีดยางอีกครั้งนายเลียมชื้อสาทุมอายุห6ปี อยู่บ้านเลขที่172หมู่หนึตำบลทานน้ําทิพย์อำเภอเบตงจังหวัดยะลาได้เข้าไปกรีดยางพาราถูกเสือโคร่งขนาดสูง80ซนติเมตรน้ําหนักประมาณ200กิโลกัดจนได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสดมีแผลชะกันที่ข้อมือด้านซ้ายถูกกลัดเป็นแผลลึกตามตัวและกรามหักทั้งสองข้างบริเวณใบหน้าก็ถูกเสือตะปบเป็นแผลลึกเข้ารับการรักษาต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลยะลาเนื่องจากมีอาการสาหัส ในเลียนได้เลาถึงเหตุการณ์ที่ตนเองได้ต่อสู้กับเสือดังกล่าวว่าขณะที่ตนเองกําลังก้มกรีดยางพาราเสือตัวดังกล่าวได้ย่องมาทางด้านหลังได้ยินเสียงที่ผิดปกติตนจึงได้เงยหน้าขึ้นแล้วก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อแสงไฟตรงหน้าผากไปส่องเห็นหน้าเสือเข้าและก็ในเวลาเดียวกันนั้นเองเสือตัวนั้นก็ได้เข้ากระโจนจู่โจมโดยที่มันใช้เล็บตะปบและกัดตามร่างกายตนจึงได้ตั้งสติใช้มือจับที่คอเสือจากนั้นก็ต่อสู้ฟัดกันไปฟัดกันมาอยู่พักหนึ่ง ตนและสือตัวนั้นก็ได้กลิ้งตกลงมาตามร่องยางที่เป็นสันเขาและจากนั้นเสือก็พผลวิ่งหนีเข้าป่าไปตนจึงรีบโทรศัพท์ให้ภรรยาและลูกมารับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเบตงเมื่อเข้าไปที่เกิดเหตุก็ได้พบกับกองเลือดรองเทา้ามีดกรีดยางถุงกระเป๋าและร่องรอยการต่อสู้กับเสือโคร่งทุกอย่างกระจายทั่วบริเวณบริเวณรอบที่เกิดเหตุพบรอยเท้าเสือขนาดใหญ่วัดจากปลายเท้าถึงส้นเท้ายาวประมาณ7นิ้วกว้างประมาณ5นิ้ว รอยเท้าที่ว่ามีอยู่ทั่วบริเวณนายดนเดชพัฒนรัตน์นายอำเภอเบตงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพิยจวัฒน์เฉลิมสีผู้กํากับสอพอเบตงพันตำรวจโทเชิดวิทย์เนรหิงผ อ, อร้อยต่อชด .445 ได้นํากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายปกครองอสอและนายพรานสื่อมลชนกว่า70คนพร้อมด้วยอาวุธกระจายกําลังเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณสวนยางภารากงศีหนึ่งหมู่สี่ตำบลฐานน้าทิพย์อำเภอเบตงจังหวัดเชียงรา ด้านนายดนเดทพัฒนารัตน์ในอำเภอเบตงกล่าวว่าในช่วง2อถึงสวันที่ผ่านมามีชาวบ้านได้ถูกเสือกัดชื่อนางคําพาจันเหลืองอายุ59ปีอยู่บ้านเลขที่66หมู่4ตําบลยะรมอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยถูกการขณะที่กําลังกรีดยางพาราบริเวณหมู่8ตําำบลต ะ, นะะเนาะแม่ร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาทําให้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ได้สนธิกําลังจนพบรอยเท้าเสือและออกแจ้งชาวบ้านว่าขณะนี้มีเสือที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งคาดว่าโดนพวกล่าสัตว์ยิงเนื่องจากขาด้านซ้ายของเสือด้วนและคาดว่าเป็นเสือโคร่งตัวเดียวกันที่กัดในเรียนนายดนเดชพัฒนารัฐน์ในอำเภอเบตงได้กําชับให้ผู้ใหญ่บ้านจะชุดชร อ, อรบออรบอจัดเวรยามผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันสอดส่องดูแลบริเวณศูนย์ยางพาราโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติด ป, ป่าและห่างไกลาจากชุมชนนอกจากนี้ได้เร่งรัดให้หาทางจับเสือตัวดังกล่าวให้ได้โดยเร็วเพราะอาจจะออกมากัดชาวบ้านและสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านอีก แต่ก็อยากให้มีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เข้ามาให้คําแนะนําในการที่จะดําเนินการในเรื่องนี้ชาวบ้านได้ทราบข่าวว่ามีเสือ อ, อกมกัดคนตายทําให้ชาวบ้านที่ต้องออกไปกรีดยางพาราต่างแตกตื่นบวาดกลัวไม่กล้าอกปกรีดยางในช่วงนี้จนกว่าทางการจะสามารถจับเสือได้และแล้วเสือร้ายที่ออกกันลว่าที่อําเภอเบตงและอำเภอฐานโตจังหวัดยะลาก็พบจุดจบเข้าจนได้โดยเจ้าหน้าที่และชาวบ้านพบเสือคร่งตัวดังกล่าวขณะที่มันนอนอยู่ในป่ารกหลังโรงเรียนวังศิลา หมู่ที่สิบตำบลบ้านแหนอำเภอทานโตจังหวัดยะลาหลังจากที่มันไล่ตะบบสุนัขของชาวบ้านโดยเจ้าหน้าที่พยายามจะจับเป็นแต่เจ้าเสือร้รายนั้นกับกระโจนใส่จึงจําเป็นต้องยิงปืนลูกซองใส่แต่ผลก็คือลูกกระสุนไม่ระคายผิวของมันสุดท้ายมันจึงได้โดนปืน skm 1 6ยิงจนเสียชีวิตเมื่อเวลา15บหนาฬิกาสานาทีวันที่13ธันวาคมปีพุทธศักราช2555นายห้นกสกุลจันทราราชนายอำเภอทานโตจังหวัดยะลา ได้แจ้งข่าวชาวบ้านในพื้นที่บ้านวางศิลาหมู่สิบตําบลบ้านแหนตําบลฐานโตจังหวัดเชลายว่าพบเสือโคร่งกําลังไล่ตะปบสุนัขชาวบ้านอยู่บริเวณหลังโรงเรียนบ้านวังศิลาจึงได้สั่งการให้จ่าเอกปรเมรจันแสงประดัอําเภอฝ่ายความมั่นคงนํากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจต่อชด445ทหารพราน อ, อสสและชาวบ้านกว่า300คนรุดเข้าที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบเสือโคร่งกําลังนอนอยู่ในป่ารกทึบหลังโรงเรียนวังศิลา เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะจับเป็นแต่เสือตัวนั้นอยู่ในอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าหน้าด้านสายเนื่องจากมันโดนกับดักของชาวบ้านซึ่งไม่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านเข้าไปใกล้หวังที่จะจับเป็นนั้นเจ้าเสือตัวนั้นก็ได้กระโจนออกมาจากป่ารุกทึบกระโจนเข้าไปหาชาวบ้านไม่เหตุการณ์เป็นเช่นนั้นชุดไล่ล่าจึงระลมยิงด้วยปืนลูกซองแต่ก็อย่างที่บอกไม่ระคายผิวของมันจึงได้ตัดสินใจใช้อาวุธปืน HKM16 จัดการหยุดความดูร้ายของเสือโคร่งไว้ได้ ชุดติดตามจึงได้ตรวจสอบโดยใช้ไม้ยาวเขี่ยร่างเสือที่นอนแน่นิ่งอยู่เมื่อแน่ใจว่าตายแล้วจึงได้เข้ามัดร่างเสือทันทีเสือตัวดังกล่าวที่โดนยิงตายมีสภาพผอมโูรเพราะต้องหลบหนีการไล่ล่าของชาวบ้านอย่างไรก็ดีทางชุดล่าเสือครุง่งได้นําร่างเสือตัวดังกล่าวส่งมอบให้กรมบุญยาแห่งชาติดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปและแล้วเรื่องราวของเสือเบตงก็ได้จบลงแล้วครับต้องขอขอบคุณคุ ณ, คณอาร์ตยามาฮ่ามา ก, กนะครับสําหรับข้อมูลที่ให้มาถ่ายทอด แต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะสั้นไป น, นะครับงั้นผมเอาเรื่องสั้นๆจากท่านสมาชิกมาถ่ายท่อต่ออีกทีดีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณบูลคุณบูลเล่าว่าครั้งหนึ่งปู่ของผมมีรากฐานอยู่ที่โคราชและต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลําพูอําเภอโนนสังแต่ก่อนนั้นยังเป็นเขตของจังหวัดอุดรดานี์ปู่เล่าให้ผมฟังว่าสมัยก่อนนั้นนะ่ะต้องถางหญ้าสร้างเรือนอยู่ใกล้ภูเขาชื่อภูก้าวภูพันคํา และปู่ของผมก็ได้ยึดอาชีพพรานหาของป่าสัตว์ป่ามาขายบ้างเช่นเก้งเช่นกวางและก็รวมถึงสัตว์อีกหลายชนิดปู่เล่า ว, ว่าวันนั้นปู่ได้ไปดูกับดักที่ดักสัตว์เอาไว้พอเดินเข้าไปในป่าลึกท่านก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ท่านจึงค่อยๆย่ อ, ยยองข้นไปดูตามเสียงนั้นท่านก็ค่อยย่องไปจนไปถึงจุดที่เสียงเกิดขึ้นแต่ท่านก็ต้องตกใจกับสิ่งที่ท่านได้เห็นมันไม่ใช่คนแน่ๆท่อนล่างเป็นเท้าหองเสือแต่ส่วนบนนั้นมีหน้าเหมือนคน ที่ว่าหน้าคนที่เห็นนั้นมันเหี่วมากเสียงร้องที่ร้องออกมาก็เหมือนเด็กพอท่านได้เห็นอย่างนั้นท่านก็อึ้งไปพักใหญ่เมื่อตั้งสติได้จึงค่อยๆย่ อ, ยยองกลับออกมาเก็บความสงสัยต่อสิ่งที่เห็นไว้ในใจแล้ววันนั้นก็เป็นอันว่าไม่ได้สัตว์อะไรเลยสักตัวท่านจึงได้เดินทางกลับออกมาแต่ก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ใครฟังจนล่วงมาอีกสองวันต่อมาท่านจึงได้เข้าป่าไปอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ท่านตั้งใจจะไปนั่งห้าง และม่ท่านได้เดินเข้าป่าเดินลัดตัดเลาะเข้าไปเรื่อยๆพอได้ทำเลที่ดีท่านก็ขึ้นขัดห้างเมื่อจัดแจงทำธุระข้างล่างเรียบร้อยหมดแล้วตะวันคล้อยต่ำลงความมืดเริ่มคืบคลานท่านจึงได้รีบขึ้นไปบนห้างแล้วก็นั่งรอรอแล้วก็รอท่านเล่าว่าคืนนั้นบรรยากาศมันแปลกมันเงียบมากเงียบจนหน้าใจหายยังกะว่ามีท่านคนเดียวอยู่ในป่านั้นโดยไม่มีสัญญาณของสัตว์อื่นที่มีชีวิตอยู่เลย และเมื่อป่ามันเงียบมากมันก็ไม่มีอะไรทำมองไปทางไหนก็มีแต่ความมืดท่านจึงค่อยๆเอ็นตัวพิงเอ็นกับต้นไม้กำลังเพลิดเพลินอิ่มเอิมกับบรรยากาศอันสงบนั้นสักพักหนึ่งหูของท่านก็เว่วได้ยินเสียงหนึ่งเสียงเสียงนั้นเป็นเหมือนเสียงคนกำลังเดินมาที่ใต้ห้างของท่านไม่รอช้าท่านรีบก็มองลงไปดูสิ่งที่เห็นนั้นก็ทําให้แปลกใจอีกแล้วข้างล่างมีสาวสวยคนหนึ่งกําลังยืนมองท่านอยู่เธอเป็นใครและมาได้ยังไง สาวสวยคนนั้นได้แต่ยืนจ้องท่านมีแต่ความเงียบเท่านั้นที่เกิดขึ้นณเวลานั้นจนสักพักหล่อนก็พูดว่าลงมาเล่นเป็นมูไขลแนแปลว่าลงมาเล่นเป็นเพื่อนฉันหน่อยท่านได้ยินเช่นนั้นจึงได้ตอบไปว่าคอยบนลงใบดอกล่งยากเจ้าขึ้นมาหาคอยโลดแปลว่าไม่ลงไปหรอกขึ้นมาสิพอสาวเจ้านางนั้นได้ยินท่านในนั้นร่างของนางจึงค่อยๆกลายเป็นเสือลายพาดกรอนพยายามกระโจนขึ้นมาบนห้างปู่ผมเห็นดังนั้นจึงยกปืนยิงไปหนึ่งนัด ผลปรากฏว่ามันกลับไม่เป็นอะไรเลยอีกทั้งยังแยกเคี้ยวและพยายามตะกุยต้นไม้สถานการณ์ขณะนั้นเวลาเห็นมันตะกุยก็ให้รู้สึกหวาน่นหวันมากคนลุกเหงือแตกมันจะขึ้นมาได้ไหมเนี่ยดูดูแล้วเฉยอยู่อย่างนี้เห็นท่าว่าจะไม่ดีแน่ท่านจึงได้หยิบกระสุนขึ้ น, นมาอีก1นัดแล้วก็เรียกถึงครูบาอาจารย์จากนั้นจึงได้เล็งปลายกระบอกปืนไปที่เสือตัวนั้นอีกทีพร้อมกับเหนียวไกปังครั้งนี้พอมันโดนกระสุนเข้าไปร่างนั้นก็พงังหงายลุมไป มันถึงกระพระออกมาด้วยความเจ็บปวดหวยหัวนกหวานก้องป่าแต่เสียงที่ว่าหวยหวยนนั้นมันเป็นเสียงคนสักพักร่างสือตัวนั้นจึงได้วิ่งหลบเข้าไปในพุ่มไม้แล้วก็หายลับไปกับความมืดเหตุการณ์ทุกอย่างผ่านไปเหลือเพียงแต่คุณปูค่คนเดียวที่นั่งอยู่บนห้างไม่ต้องนอนมันแล้วคืนนี้ไม่รู้ว่ามันจะแอบ ม, มันตะกุยห้างอีกเมื่อไรสรุป ป, ปู่จึงนั่งอยู่อย่างนั้นจนเช้าแล้วเมื่อแสงรุ่งอรุณมาถึงปู่จึงลงมาจากห้างที่ใต้ห้างนั้นมีแต่รอยเท้าเสือเต็มไปหมด และก็ร่องรอยจากเล็บของมันในการตะกุยต้นไม้มีเต็มไปหมดช้าอยู่อีกไม่ได้แล้วปู่ตัดสินใจรีบเดิอนออกจากป่าทันทีและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาปู่ผมท่านจึงได้เลิกนั่งห้างไปโดยปริยายครับแล้วคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่2เรื่องนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ